ถ้าตอนนี้ไปตั้งใจสมท า, านสินก่อนที่จะสมาทานศินหลวงพ่อจะทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าให้รู้เรื่องของสินก่อนพวกเราได้เคยสังเกตไหมตั้งแต่เริ่มงานพระเถระมหาเถระที่มาแสดงธรรมพวกเราอาราธนาสินจบแล้วท่านก็ให้สินทุกครั้ง ท่านก็ไม่ได้อธิบายเรื่องสินให้แก่คณะรักทาญาติโยมลูกหลานฟังในในรายละเอียดเพราะเหตุไรท่านก็เข้าใจว่าลูกหลานได้ศึกษารู้เรื่องของศินมาดีแล้วท่านก็ให้ศินไปเลยโดยที่ท่านไม่ได้อธิบายให้อะไรให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายฟังแต่หลวงพ่อเองเนี่ยจะไปนักทานที่ใดนานๆลูกพ่อได้ไปหลูกพ่อจะอธิบาย ในแนวศีลให้แก่ขา้าราชกาญาติโยมได้ฟังเพราะว่าหลวงพ่อคิดในใจว่าพวกลูกหลานที่เกิดใหม่ใหญ่ทีหลังไม่ได้ศึกษาธรรมะไม่ได้บวชเรียนเขียนอ่านในพระพุทธศ า, าสนาไมไ่เคยเข้ามาบวชพอเป็นเด็กเข้ามากวาเรียนประถมมัธยมปริญญาตรีโทเอกแล้วจบแล้วก็ไม่ได้สนใจเรื่องพระพุทธศ า, าสนาจะรู้เรื่องจะรู้ซึ้งในศีลธรรมนั้นยังคิดไม่ถึงเหมือนกันเพราะนั้นหลวงพ่อจึง ไปณสถานที่ใดหลวงพ่อจะอธิบายเรื่องศีลให้แก่พวกคณะสัตยาติโยมผู้ที่ยังไม่เข้าใจถ้าพูดที่เข้าใจแล้วก็ไม่เป็นไรฟังไว้เพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาแต่ที่พูดยังไม่รู้ก็ควรจะได้ศึกษาว่าทําไมมีศาสนาพิธีอย่างนี้ทําไมถึงให้มีไหว้พระจากนั้นให้มาสมาทานศีลก่อนที่จะมีเรื่องอะไรขึ้นมาแล้วก็ต้องไหวพระก่อนแล้วก็สมาทานศีลก่อนแล้วค่อยถวายทาน หรืว่าแสดงธทำประเทศนาทุกครั้งทําไมเป็นอย่างนั้นเพราะว่าโบ ร, ราณโบราณโบรากการนักปราชญ์ในครั้งก่อนเก่าท่านบอกว่าพุทธบริษัทสี่ของพวกเราควรจะไหว้พระคือระลึกลำลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จากนั้นก็ควรจะสํารวมกายวายจาให้เรียบร้อยสักก่อนจึงจะทําส่วนอื่นจึงจะเป็นสิริเป็นมงคลได้ทั้งว่าจิตใจของเรา ยังไม่สำรวมกายกายของเราก็ยังไม่มีศีลวาจากของเราก็ไม่มีศีลแล้วจะเราจะทำชวนอื่นเขาคงจะไม่สมบูรณ์เพราะนั้นคนโบราณเขาจึงให้ไหว้พระและสมาทานศีลก่อนในหลวงพ่อจะได้นำตั้งแต่วันนะโมตัสสะพระคาวาโตลูกหลานบางคนไม่เคยสนใจเรื่องพระพุทธศ า, ศาสนาก็าไม่เข้าใจเหมือนกันวันนะโมตัสสะนี่แปลว่าอะไร เขาว่านะโมเขาว่าไปบางทีเข้ามาวัดกับอากราบกราบสามครั้งคําว่ากราบ3ามครั้งมีความหมายอย่างไรก็ไม่มีใครอธิบายให้ฟังอีกกราบ3ามครั้งคือกราบอะไรแอบกราบ3ามครั้งเท่านั้นเหรอเป็นมงคลให้กราบสามครั้งกราบพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ต้องอธิบายอย่างนั้นให้กราบพระคุณของพระพุทธเจ้ากราบพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้ากราบพระริยาสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้ากราบสามครั้ง อันนั้นเปวนวัฒนาเรารู้ความหมายเราว่ากลับ3ครั้งคือกลับพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จากนี้มาพูดคืดเกี่ยวกับนโมเธนโมตัดสะปะคาวตัวอรหันตสัมมาสัมพุทธสัจข้าพเจ้าขอนอภน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นอันนี้คือความแปลนโมเราว่าถึงสามครั้งข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น จากนั้นเขพุทธัทงสระนางขจ า, ามิธรรมังสัสสงขังสระนางขจามิดุติตาติและก็ตาติยามปิพุทธัทงธรรมัง ส, สั ง, งขังสระนางขจามิข้าพเจ้าถึง พ, au, พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะเป็นที่พึ่ง <ir> ยืนยันถึงสาครั้งยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งทำใหมพวกเราจึงยึดพระพุทธเจ้พพาพระธรรมพระสงฆ์เป็นสระเป็นที่พึ่งเพราะพระพุทธเจ้า เป็นผู้รู้ดีรู้ชอบด้วยพระ อ, องค์เองตั้ทรู้พระธรรมพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าพวกเราได้ศึกษาได้ฟังแล้วมีสาระมีประโยชน์มีคุณค่าในการดํารงชีพหรือมีคุณค่าทางด้านจิตใจพวกเราดำลึกถึงแล้วนำพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาพูดกันให้การฟังหรือว่านํามาศึกษาทกคําพูดของพระพุทธเจ้ามีคุณค่ามีประโยชน์อย่างมากเพราะนั้นเราจึงยึดถ้าธรรม คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเป็นทารณะจากนั้นพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าอย่างองค์หลวงตาของเราท่านก็นําพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้ามาประกาศมาเผยแพร่ให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษาอีกต่อหนึ่งเพราะฉะนั้นพระสงฆ์จึงมีพระคุณอย่างยิ่งเราจึงเล่นน้อมนําพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ยึดเป็นทารณะเป็นที่พึ่งทางด้านจิตใจของพวกเราจากนั้นก็หลวงพ่อจะได้กล่าวว่า ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัทังสมาติยามิไอ้ฆ่าพรเจ้าจะงดเว้นในการฆ่าการฆ่าเนี่ยคืออะไรคือเราจะไม่ฆ่าตัดสัตตัดชีวิตเพราะชีวิตของเขาชีวิตของเรามีคุณค่าถ้าเราไปฆ่าเขาก็ไม่เป็นไรถ้าเขามาฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าสามีภรรยาลูกหลานของเราเรามีความรู้สึกอย่างไรอันนี้คือทำคําสอนของพระพุทธเจ้า ถ้าเราคิดดูที่ว่าการฆ่าคนอื่นเป็นยังไงเขามาฆ่าเราเป็นยังไงเรามีความรู้สึกยังไงในเมื่อเขามาฆ่าพี่คาน้องฆ่าวงศารกญาตาของเราอันนี้แหละขอให้พวกเราคิดศีลของพระพุทธเจ้ามีคุณค่าข้อที่สองอสินนาธานาเวรมณีอย่าขโมยคนอื่นเเขาถ้าเราไปขโมยของเขาเขามาขโมยของเราเรามีความรู้สึกอย่างไรอันนี้ก็คือศีลข้อที่สองข้อที่สมการเมสุมิชฌาราเวรมณี สามีภรรยาลูกหลานของใครเขาเคารพสังเวชหวงเหนของเขาถ้าเราไปล่วงล้ำเขาเขามีความเสียความรู้สึกถ้าเขามาล่วงล้ำเราเราก็เสียความรู้สึกเช่นเดียวกันเพราะฉนั้นให้เคารพสิทธิซึ่งกันและกันอันนี้คือสินข้อที่สข้อที่สี่มุสาวาทาเว ร, รมณีอย่าไปโกหกต้มตุนหลอกลวงคนอื่นเขาเขามาต้มตุนหลอกลวงเราเรามีความรู้สึกอย่างไรเออเราก็เสียใจเพราะฉะนั้นศินข้อที่สี่ของพระพุทธเจ้า มีคุณค่ามีประโยชน์สิงข้อที่หสุราเมระยะมัชชะประมาะการดื่มสุราและเมลัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทคนดื่มสุราเข้าไปแล้วขาดสติเมื่อขาดสติทำความชั่วเสียหายได้ทุกอย่างเพราะคนขาดสติเพราะนั้นเราก็รู้อย่แล้วว่าดื่มสุราเข้าไปทันชายาฟินเฮลุอินเนี่มากมายจุกทุกข์หวาเนเณรโคคงโคเคนเมื่อเราดื่มเราเสพเข้าไปแล้วขาดสติ เมื่อขาดเจติแล้วทําความชั่วได้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้แล้วเมื่อเดือบเสพเข้าไปแล้วขาดเจติเมื่อขาดเติความทําความชั่วได้ฆ่าใครก็ได้ขโมยใครก็ได้ประพฤติผิดละลาบลาลวงสามีภรรยาลูกหลานของใครก็ได้โกหกก็ได้เพราะคนขาดเจติทําความชั่วได้ทุกอย่างเพราะฉนั้นสิลของพระพุทธเจ้าถ้าย่นย่อลงมาก็คือเอาใจเขามาใส่ใจเรา เอาใจเราไปใส่ใจเขาถ้าเราไม่ต้องการอย่างนั้นเราอย่าทำํำคนอื่นเขาก็ให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันเนี่แหละโลกทั้งโลกจะร่มเย็นเป็นจุขถ้าทุกคนมีสินถ้าทุกคนขาดสินไม่มีสินแล้วโลกทั้งโลกจะเดือดร้อนวุ่นวายที่สุดในยุคนั้นสมัยนั้นให้พวกเราหลับตา น, นึกคิดดูกัแล้วกันสิ่ข้อที่หนึ่งข้อที่2ข้อที่3ข้อที่4ข้อที่ห มีคุณค่าอย่างมากที่พระพุทธเจ้าบัญญัติเพราะนั้นพวกเรารู้คุณค่าของสินแล้วคนโบราณก็าจึงให้สมาทานสิงก่อนอย่างน้อยกอ็ในช่วงที่สมาทานสินนั้นคงจะไม่ทำความชั่วเสียหายอะไรเคงจะได้ชั่วระยะหนึ่งในการรักษาสินนั้นเพราะนั้นขอให้พวกเรารู้คุณค่าของสินแล้วต่อ น, นี้ไปลุงพ่อจะเป็นผู้พานาสมาทานศินต่อไป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 อิมานิปันจสิก้าปทานิสิเลนะสุขติงยันติสิเลนะโพกสัมปทาสิเลนะนิผูติงยันติตัธมาสิลังวิโสทะเยปล ม, มาจโลกาธิปฏิสหัมปติเจริญบลังอายาจาทัสันติทัส ต, ตาปราชากาชาติกา เทเสตุธรรมังอนุกรรมปีมังปราชังวันนี้หลวงพ่อถ้าจะว่าแสดงธรรมก็ใช่ถ้าจะว่ากล่าวสัมโธธนิยกษถาไปเลยก็ใช่เพราะหลวงพ่อในฐานะลูกขององค์หลวงตาท่านหนึ่งในเมื่อหลวงตา ที่นี่ท่านเป็นองค์แสดงธรรมให้แก่คณะศรัทธาญาติโยมลูกหลานโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลวงพ่อหลวงพ่อเทิดทูนพระคุณองค์หลวงตาอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นหลวงพ่อจะไม่ได้จะไม่พูดว่าแสดงธรรมเพียงแต่เพียงว่ากล่าวสมณิยกถาหรือว่ากล่าวเรื่องราวที่ในประสบการณ์มาหรือว่าเป็นกล่าวในฐานะที่ว่าเป็นพี่ เออของคณะสัตยาติโยมผู้ที่เข้ามาศึกษาหลวงพ่อเนีเข้ามาศึกษาก่อนแล้วก็มีอะไรมีประสบการณ์อย่างไรก็มีการทักทายพูดให้โอภาปาศัยให้เป็นที่เข้าใจกันในระหว่างพี่น้องลูกหลานสัตยาติโยมที่เราพวกเราเป็นลูกขององค์หลวงตาเป็นหลานขององค์หลวงตามีอะไรก็พูดสนทนาปารบกัน เนี่ยไม่ใช่ว่าจะขึ้นทามาแล ะ, ะแสดงความคิดเห็นเน่เหมือนกับองค์หลวงตาที่ท่านโปรดหรือว่าท่านแสดงให้แก่พวกเราฟังหลวงพ่อจะไม่กล้าที่จะทำอย่างนั้นไม่กล้าที่จะพูดอย่างนั้นเพราะสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่เคารพยิ่งของหลวงพ่อแห่งหนึ่งที่จะทำแสดงความคิดเห็นอะไรออกไปหลวงพ่อจะต้องเดคิดได้ทบทวนได้พิจารณาไรตรตรองเหตุและผลเสียก่อนว่า ได้ยังไงเสียยังไงขาดความเคารพอย่างไงกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพราะนั้นหลวงพ่อจะไม่ได้ให้แสดงความคิดเห็นอย่างองค์หลงตาที่ท่านแสดงให้แก่พวกเราฟังเพียงแต่ว่าพวกเรามาเจอกันมาพบกันก็สนทนาปาลบกันพี่ได้สองน้องได้หนึ่งหลวงพ่อกนในฐานะพี่เพราะว่าหลวงพ่อได้บวชมาในพระพุทธศาสนา ตั้งแต่ปี2500เป็นสั ม, มเาณีจากนั้นมาเป็นพระแล้วก็มาอยู่กับองค์หลวงตาปี2 5งพันมาอยู่ที่นี่จนถึง2525 25, มาอยู่ที่นี่เป็นเวลา14ปีไม่ได้ไปจํำรรษาที่อื่นเลยจำราษาอยู่ที่นี่ตลอดจากนั้นก็ได้ออกไปจําำรรษาที่วัดป่านาคําน้อยเพราะนั้นหลวงพ่อถือว่าวัดหลวงตาเนี่ยเป็นวัดร่มโพร่รมใสของหลวงพ่อหลวงพ่อ จะคิดอะไรจะทําอะไรจะพูดอะไรหลวงพ่อจะต้องเคารพโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อท่านยั ง, งทรงธาตุขันอยู่หลวงพ่อเข้ามากราบท่านเนี่ยหลวงพ่อจะไม่พูดอะไรแต่เป็นผู้ฟังเป็นผู้ศึกษาท่านถามคําก็ตอบคําถามคําก็ตอบคําเวบเนศถ้าท่านอธิบายให้ฟังท่านอยากจะรู้เรื่องก็อธิบายให้ฟังบ้างแล้วก็เรื่องนั้นก็จบมากราบท่านโดยความเคารพคารวะอย่างยิ่งในหลวงพ่อ เกือบจะว่าเื่อว่ามาถึงท่านต่อหน้าท่านแล้วพูดอะไรไม่ออกลักษณะอย่างนั้นแแต่คราวนี้คณะสัต า, า ญ, ญาติโยมนิมนต์หรือ ว, ว่าคณะกรรมการนิมนต์หลวงพ่อขึ้นมาเป็นผู้กล่าวสัมโมทนิยกถาหลวงพ่อเขาจะได้กล่าวให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษาหลวงตาท่านสั่งอย่างไรสำหรับพระพระท่านบอกว่าให้อยู่ในหลักพระธรรมวินยัย ถึงจะโง่แสนโง่ก็ให้อยู่โง่อยู่ในหลักพระธรรมวิ น, นัยถ้าจะฉลาดแสนสลาดก็ฉลาดอยู่ในหลักพระธรรมวิ น, นัยอย่าไปฉลาดแวกแนวอันนี้หลวงตาสั่งพระนะเอ่อสั่งหลวงพ่อเองและคณะสตา ญ, ญาติโยมก็เหมือนกันให้ครองชีพด้วยความสุจริตเอ่ออย่าไปโลภโหมโมฆ ะ, ะเกินไปในการครองชีพก็ให้รู้จักประมาณในการเป็นอยู่ อย่าไปออกธรรมออกนอกลู่นอกทางให้อยู่ในกรอบของศีลธรรมให้อยู่ในกรอบของศีลท่าอันนี้คือท่านสอนคารวะอบายยมกทุกอย่างท่านจะไม่ส่งเสริมเพราะนั้นขอให้คระทศไทาญาติโยมทุกท่านหรือพระสงฆ์ทุกองถึงจะฉลาดยังไงก็ให้ฉลาดอยู่ในหลักพระธรรมวินัยถึงจะงโง่ก็ให้งโง่อยู่ในหลักพระธรรมวินัยให้ศึกษาในหลักพระธรรมวินัยถ้าหากว่าออกนอกลู่นอกทางแล้วเป็นพระ ที่โง่ที่ไม่น่าเคารพนับถือถ้าฉลาดก็ฉลาดแบบไม่ในกาไมลงสลาดแวกแนวเพราะฉะนั้นคํานี้หลวงตาที่สั่งพวกเราท่านทั้งหลายเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกทุกท่านไปอยู่น่าจะทานที่ใดก็ตามให้ยึดแนวแถวขององค์หลวงตาที่ท่านแนะนําสั่งสอนพวกเราท่านทั้งหลายอันนี้คือท่านสอนพระและสอนครวัตญาติโยมที่หลวงพ่อพูดนี้ พวกเรากคงจะได้ยินได้ฟังในธรรมเทศนาขององค์หลวงตาเพราะฉนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านที่เป็นศิษยานุศิษย์ขององค์หลวงตาให้ยึดมั่นในแนวแถวที่องค์หลวงตายึดสอท่านสอนอย่างไรสําหรับพระท่านให้เป็นผู้มักน้อยสันโดษแล้วจากนั้นก็ให้ตั้ง อ, อกตั้งใจภาวนาให้เอาจริงเอาจัง อ, อย่าไปออกนอกลู่นอ ก, ก, นอกทางการคิดการก่อการสร้างการออก อย่างอื่นนั้นไม่ไม่ใช่แนวธรรมแนวธรรมคำสอนขององค์หลวงตาอันนี้ท่านก็สอนสำสำสำหรับครวญญาติโยมท่านก็สอนให้มีศีลให้มีธรรมให้มักน้อยให้โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านหมว่ผัวเดียวเมียเดียวนีอันนี้หลวงตาท่านก็นเน้นอย่างอย่างฉุดซึง้งอันนี้พวกเราคณะสัตยาญาติโยมลูกหลานทุกคนฟังแล้วให้นําไปประพฤติปฏิบัติและจากนั้นก็ให้กลั่นกรองด้วยเหตุและผล จากนั้นองค์หลวงตาก็ได้สอนเรื่องศีลเรื่องทานเรื่องทานการเสียสละพวกเราอยู่ด้วยกันต้องมีน้ำใจต้องมีเมตตาอย่างองค์หลวงตาที่ท่านพาดำเนินมาท่านทำยังไงดูสิขนาดไก่ชัดสาลาสิงอยู่ในวัดของท่านท่านเลี้ยงดูทั้งหมดไม่ว่าแต่คนจากนั้นเรื่องคนก็เหมือนกันคนพิกงคนพิการโรงพยาบาลโรงรยาบาโรงเรียน จะตลอดถึงประเทศชาติทำคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติมากขนาดไหนพวกเราได้ศึกษาคนบางคนเขามามาดูแต่ปลายเหตุว่าทำไมคนจึงมากราบมาไหว้องค์หลวงตามากถึงขนาดนี้เขาทำไมจึงให้ความเคารพในองค์หลวงตาถึงขนาดนี้แต่หลวงพ่อให้คำพูดว่าพวกเราทั้งหลายได้สังเกตไหมที่คนเขามารบเคารพเคารพในองค์หลวงตานี้ เพราะหลวงตาเป็นผู้เสียสละเป็นผู้มีน้ำใจเป็นผู้มีเมตตาต่อทุกคนให้ธรรมเทศนามากมายเรียกว่ามากที่สุดในครูบาอาจารย์ในยุคปัจจุบันนี้พูดอย่างนั้นก็ไม่น่าจะผิดในลึกๆคิดในข้อเขียนของท่านหรือธรรมเทศนาของท่าน m p 3เทปของท่านออกไปสู่สายตาของพี่น้องประชาชนมากขนาดไหน อันนี้แะคือความเมตตาคือให้ทำเป็นทานให้ทำเป็นทานของท่านก็ชนะเลิศกว่าทุกสิ่งทุกอย่างจากนั้นให้อามิตฐานให้แกโรงพยาบาลโรงร่าโรงเรียนคนพิกงพิการหมาพิการเออยู่ในคุกในตารางท่านก็ไปสร้างบ้านให้ที่พักพาอาศัยจากนั้นท่านก็ได้ให้ช่วยชาติอทองคำเข้าคางหลวงคือหลัก ห, หัวใจของประเทศชาติจะหาที่ไหนได้ นี่แหละคือการเสียสละขององค์หลวงตาในเมื่อท่านเสียสละถึงขนาดนั้นจนมาบั้นปลายชีวิตของท่านท่านยังมีพิธณยกรรมอีกต่างหากพิธณายกรรมกับพวกเราท่านทั้งหลายก็ได้อ่านได้ศึกษาได้ฟังแล้วว่าเมื่อเราตายไปเงินทุกบาททุกจตางที่พี่น้องประชาชนมาร่วมมาทาบุญกับในงานศพของเราให้รวมแล้วก็ไปซื้อทองคาเข้าคังหลวงทั้งหมด พวกเราคิดดูสิหาที่ไหนเราเคยได้ยินไหมเราเกิดมาอายุถึงปานนี้แล้วใครเป็นผู้พูดอย่างนี้ได้เราไม่เคยได้ยินหลวงพ่อไม่เคยได้ยินจากที่ไหนมีองค์หลวงตาของเรานี่แหละนี่แหละนี่แหละคือการเสียสละอย่างชุดจึ้งเสียสละอย่างออหาผู้เปียบปานไม่ได้ในยุคปัจจุบันเพราะฉะนั้นเมื่อท่านเป็นผู้เสียสละเป็นผู้มีน้ำใจเป็นผู้มีเมตตาพี่น้องประชาชนทั้งหลาย ลำลึกถึงพระคุณของท่านจึงหลั่งไหลเข้ามาเวลาจะขึ้นมากราบท่านถึงจะตากแดดร้อนขนาดไหนเหงื่อแตกเหงือ่อไหลจะเป็นลมก็ยังอุตสาบวิริยะเพื่อจะได้มากราบมาไหว้ในศีรษะขององค์หลวงตาเนี่แหละคือน้ำใจของหลวงตาแผ่ไพศาลไม่ใช่แต่ในประเทศไทยเท่านั้นเกือไปทั่วโลกกิจพื์ขององค์หลวงตาเพราะนั้นพวกเราในฐานะสิทธิ์ขององค์หลวงตาได้มากราบมาไหว้ หรว่ อ, อะไรแสดงตนเป็นลูกศิษย์ขององค์หลวงตาเป็นที่ภาคภูมิอย่างภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะหลวงพ่อเองหลวงพ่อในภาคภูมิใจอย่างสุดซึ้งที่ได้เป็นลูกศิษย์ขององค์หลวงตาเพราะท่านเป็นผู้เสียสละท่านไม่ให้โลกโหโ ม, โมโกณะเป็นผู้มีน้ําตาเป็นภู้มีเมตตาเป็นผู้มีน้ําใจเหตเพราะนั้นขอให้คณะสิทธิ์ญาณุสิทธิ์ทุกหมู่ทุกเหล่าทั้งฝ่ายพระทั้งฝ่ายครวาญทุกทุท่าน ให้ยึดแนวแถวองค์หลวงตาถ้าว่าพวกเราอยากอยากจะให้คนอื่นเป็นที่ยอมรับนับถือต้องยึดแนวทางของหลวงตาถ้าว่าพวกเราขี้ตนันีทีเนี้ยเสอย่างไม่รู้จักใครเสอย่างเดียวท่านนะนะจะมีใครมาหาพวกเราไม่มีใครที่จะมาเคารพนับถือพวกเรานะถ้าว่าพวกเราทําอย่างหลวงตาเนี่ยนะเนี่ยเลิดประเสริฐอันนี้ก็ขอให้พวกเราทานะที่ไหทานของหลวงตาเนี่ยเป็นเยี่ยม ส่วนการรักษาสินของหลวงตาก็เหมือนกันหาที่ตำหนิไม่ได้ในศีราจารวัตเรื่องหลักพระธรรมวินยัยหลวงพ่อมาอยู่กับท่านดูสังเกตท่านเป็นผู้มักน้อยเป็นผู้สันโดดเป็นผู้เคร่งครัดในหลักพระธรรมวินัยอย่างยิ่งเพราะนั้นขอให้พระเนนคูบาอาจารย์น้องนุ่งทางหลายให้ยึดแนวแถวขององค์หลวงตาเอาไว้เรื่องศิน พี่น้องประชาชนศรัทธา ญ, ญาติโยมก็เหมือนกันองค์หลวงตาได้แสดงธรรมเทศนาในเทปในหนังสือสิ่งไหนก็ตามที่ท่านพูดออกไปนั้นล้วนแล้วจะเป็นความจริงขอให้พวกเรายึดแนวแถวองคหลวงตาสั่งสอนเถอะพวกเราจะมีแต่ความสุขความเย็นใจอันนี้คือสิ่งส่วนสมาธินั้นองคหลวงตาท่านก็ได้สอนเรื่องสมาธิเป็นขั้นตอนสมาธิท่านว่าสมัยเมื่อท่านบวชใหม่ท่านภาวนาจิตใจของท่านก็ เริ่มเออมันหลุดไปเรื่อยๆจากนั้นท่านก็ว่าตั้งจิตอธิษฐานอย่างแน่วแน่ท่านอยู่ที่บ้านโคกมนธนวันนะ เ, ออเวลาเดินไปที่ไหนท่านยึดพุทธโธเป็นหลักหายใจเข้าพุทธหายใจออกโธเดินไปที่ไหนขาขวาพุทขาซ้ายโธเวลาปัดกวาดเวียงซ้ายพุทเวียงขวาโธยืดพุทธโธเป็นหลักทธนวนัดลําบากมากในการภาวนาตั้งสามวันท่านพูดอย่างนั้นนะ ในพวกเราคงจะได้ยินได้สวันโอ้โหเป็นเรื่องที่ทุกข์มากจริงๆในการภาวนาของท่านจากนั้นจิตใจของท่านเข้าสู่ความสงบเป็นหลักฐานมั่นคงจากนั้นท่าก็เดินปัญญาเดินปัญญาคือเดินอย่างไรเดินวิปัสนาของหลวงตานั่นคือท่านบอกว่าปัญญาอบรมสมาธิบางทีจิตใจของท่านมันคิดออกนอกรูนอกทางท่านก็ให้พิจารณาร่างกาย เกสาผมโรมาขนาขาเล็บธันตาฟันตะโจหนังมังสาสังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับผังผืดอย่างที่พวกเราสวดจัดครู่นี้กําหนดดูช้าๆดูดูดูดูดูไปจากนั้นกําหนดย้อนกลับไปย้อนกลับมาย้อนกลับไปย้อนกลับมาหลายครั้งต่อหลายหนเรามีความชัดเจนในอาการไหนของร่างกายสมมติเราเห็นหัวใจผู้เป้าผู้เป้า เราก็เอาความจิกําหนดอยู่ที่หัวใจหรือว่าเราเห็นกระดูกท่อนไหนในร่างกายเราก็เอาจิจับอยู่ที่กระดูกในท่อนนั้นกระโหกศีรษะหรือกระดูกสันหลังหรือกระดูกชี้โครงเราก็ยึดในกรรมฐานนั้นจิตของเราก็จะเข้าสู่ความสงบได้อันนี้ท่านสอนเรื่องปัญญาอบรมสมาธิปัญญา ค, คือใช้ความนึกคิดก่อนแต่ล่อมเข้ามาจนจิตใจเข้าสู่ความสงบได้อันนี้ว่าปัญญาอบรมสมาธิ อันนี้หลวงตาท่านก็ได้สอนพวกเราเพราะนั้นการเดินวิปัสสนาเดินอย่างไรท่านก็ให้พิจารณาเกสาผมลมอาขนนาขา็บธันตาฟันตะโจนหนังแล้วก็พิจารณาร่างกายสังขารให้เป็นอสุภะปฏิกูลเกิดแก่เจ็บตายร่างกายสังขารของเราเนี่ยมีอะไรเป็นมีสาระความสุขของร่างกายของร่างกายนั่นคืออะไรให้พิจารณาดูซิ อันนี้หลวงตาก็ได้ย้าร่างร่างกายนั่นแหละคือหินรับปัญญาที่จะเกิดปัญญาขึ้นมาได้ต้องใช้ร่างกายพิจารณาอยา่าไปหนีจากร่างกายอันนี้หลวงตาท่านก็สอนพวกเราถ้าว่าพิจารณาร่างกายพอเห็นร่างกายของเราแล้วร่างกายแตกตายสลายหลุไปก็มีแต่จิตใจใจของเราเนี่ย อยู่ในร่างกายนี่ร่างกายของคนเรานะี่มีสองคือรูปธรรมและนามธรรมรูปธรรมคือร่างกายส่วนนามธรรมนันคือจิตใจอาศัยกันอยู่แต่เมื่อร่างกายแตกแตลายลงไปแล้วร่างกายนั้นคือมันแตกมันสลายได้แต่ส่วนจิตใจนะั้นออกจากร่างไปปฏิสนธิในภพภูมิต่างๆนี้พระพุทธเจ้าถ้าจะเปรียบเทียบกับธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว พระพุทธเจ้าไปอยู่ในป่าดงพงไผในในครั้งนั้นพระองค์ไปอยู่ถึงหปีไปบําเพ็ญถึงหปีไปค้นคว้าศึกษาวันเดือนวันที่วันที่สำเร็จของท่านนั้นคือสูตรสําเร็จของท่านในวันนั้นพระองค์นั่งสมาธิวันเดือนหเพ็ญพระอาทิตย์ยังไม่ตกดินพระอาทิตย์ยังไม่อัจ ด, ดงคือไม่ตกดินท่านนั่งหันทหหน้าไปทางทิศ ต, ตะวันออก ก่อนที่ท่านจะนั่งนายโสธิยะได้นําย่าคามาผ่านมาก็เลยถวายท่านสิทธะเพราะพทธองค์ก็เลยนำยาคาของนายโสธิยะ8ปดกำมือมากรีดลงที่โคนต้นโพจากนั้นพระองค์ก็นั่งขึ้นนั่งที่ย่าคานั้น8กํามือนั้นหันพระพักไปทางทิศ ต, ตะวันออกออพอขึ้นนั่งพระองค์ก็นั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้าย ทำกายให้ตรงดำรงสติเฉพาะหน้าสติสําคัญสติเฉพาะหน้าคือกําหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกมีสติสัมปะชัญญะในลมหายใจเข้าออกนั้นไม่ให้คิดไปในอดีตไม่คิดไปในอนาคตให้จิตใจอยู่ในปัจจุบันขณะนั้นเดี๋ยวนั้นเวลานั้นอยู่ที่ปลายจมกูกจากนั้นจิตพระ อ, องค์ก็รวมสงบเป็นหนึ่ง พออลลววเพราองค์ละลึกชาติผลหลังได้หรืว่าปุเพในวาสานุสติยานละลึกชาติผลหลังได้อขอให้พวกเราท่านทั้งหลายฟังเอาไว้คํำนี้เพราะพรุทธเจ้าละลึกชาติผลหลังได้แต่ว่าพระพุทธเจ้ามีเกิดมาหลายภพหลายชาติไม่ใช่เกิดมาชาติเดียวไม่ใช่ว่า เ, เกิดมาระสูงเกิดมาชาติเนี่ยะระก็ดับไม่ใช่พวกหลวงปะวะู่บอกว่าอดีตชาติมีเหมือนกับเมื่อ ว, วานเมื่อ ว, วานมีไหมวันก่อนเดือนก่อนอาทิตย์ก่อนปีก่อน แล้วจะข้ามชาติไปอีกเพราะท่านมีญาณรัตนะระลึกชาติข้ามชาติไปอีกชาติที่แล้วมาจากไหนมาเกิดอันนี้เราบอกปุกเพในวาสานุจติยานพอถึงเที่ยงคืนพระองค์ก็ได้ยานรัศนะขึ้นมาอีกว่าจุตูปปาตยานการตริติของวิญญาณวิญญาณออกจากนี่แล้วจะไปที่ไหนแต่ละคนพอตายแล้วจะไปที่ไหนพระองค์ก็รู้วันนี้คือจุตูปปาตยานมีที่ไปมีที่มา จากนั้นพอส่วนสว่างพระ อ, องค์อองก็ได้ตัดรุปเป็นพระอนุตระสัมมาสัมโพธิญาณเรียว่าอาสาวกขยะยานยานอย่างรู้ว่าพระพุทธองค์หมดกิเลสแล้วตัดกิเลสออกพระจักพระไทยขององค์แล้วชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราแล้วเราจะไม่มาเกิดอีกแล้ว เ, เหมือนกับหลวงตาท่านประกาศประกาศที่วัดดอยธรรมจีดีท่านประกาศว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราเราจะไม่มาเหยียบแผ่นดินอีกนะ อันนี้คือหลวงตาประกาศพระพุทธเจ้าท่านกประกาศอย่างนั้นเหมือนกันชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราเพราะกิเลสในพระไทยของพระองค์หลุดออกไปจากพระไทยของพระองค์แล้วนี่แหละอันนี้มาพูดถึงจุดตูปปาต ย, ยานการจุติของสรรพสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายเกิดมาเพราะอะไรเกิดมาด้วยกรรมกรรมคือการกระทำําถ้าเราทํากรรมดีกรรมดีกด็จะพาไปเกิดในสุขคติถ้าทํากรรมชั่วกรรมชั่วพาไปทุกขติเพราะฉะนั้น หลักของพระศาสนานเน้นเรื่องกรรมคือการกระทำเนีถ้าว่าเราทํากรรมดีแล้วกรรมดีจะพาไปสู่ความสุขความเจริญถ้าเราทํากรรมชั่วแล้วกรรมชั่วจะพาไปสู่ทุกขตินี่อย่างพวกเราเนี่ยเอาเฉอะปัจจุบันนกรรมเนีปัจจุบันนกรรมก็มีนะไม่ใช่มีแต่อดีตกรรมปัจจุบันนกรรมนั้นขณะนี้แหะถ้าเราไปตีหัวเขาเข้าไปป้นเขาคาไปขโมยเขาเข่ า, ข า, ไ, ปขข า, ขาไปทําความชั่วเสียหายเขาไปคดไปโกงเขาเข้าเนี่ย เอาสิกฎหมายบ้านเมืองจะเล่นงานเราเราจะหาความสุขได้ไหมผลในสุดเราก็หยุบไปอยู่ในคุกในตารางถ้าเราทําแต่คุณงามความดีอย่างองค์หลวงตานี่ท่านทําแต่คุณงามความดีมีแต่คนยกย่องเชิดชูบูชาในองค์หลวงตามีแต่ความสุขพลิดเพลิเพราะหลวงตาทํากรรมดีแต่ถ้าทํากรรมชั่วแล้วกรรมชั่วจะพาไปทุกติเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านกรรมชั่วอย่าทำเฉยเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วนั้นย่อมเผาผลาญให้โทษเมื่อภายหลัง อันนี้แหะคือทำคําสอนขององค์หลวงตาทำคําสอนของพระพุทธเจ้าเข้ากันได้ที่องค์หลวงตาแนะนําสั่งสอนลูกหลานพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะเออมากราบมาไหว้เข้ารบสักการะ บ, บูชาในองค์หลวงตาในหลวงพ่อจะ เ, อเล่านิทานแถมท้ายสักหน่อยนะเพื่อเป็นแนวความคิดเพราะว่าข่าวก่อนหลวงพ่อเล่านิทานไปแล้ว คนก็ยังถามว่าโอ้ยเล่านิทานยังไม่จบว่างั้นนะข่าวนี้จะเอาให้จบสักนิทานหนึ่งนะชาดกนิทานเรื่องหนึ่งนะแต่หลวงพ่อจะจะเล่าเป็นสักสองเรื่องเหมือนกันแต่คงจะกินเวลานานเพราะฉนั้นขอหลวงพ่อจะขอเล่าเเสียงย่อๆ อ, อ่สักนิทานหนึ่งเป็นแนวความคิดคือกรรมฤกธินะ์กรรมฤกธิ์กรรมเป็นผู้จําแนกให้สัตว์ประสัต์ทั้งหลายมาเกิดถ้าใครทํากรรมดีกรรมดีก็จะพา มาสู่สุขคติทุกขติได้ถ้าทํากรรมชั่วก็อย่างที่ว้านนะฮะหลวงพ่อข่าวก่อนหลวงพ่อได้พูดเรื่องพระเจ้าแผ่นดินอยู่ในเมืองชนนบทเมืองหนึ่งออท่านก็ครองเมืองมาด้วยความสุขหาความทุกข์ไม่ได้พระเจ้าพระเจ้าแผ่นดินมีแต่ความสุขเอถ้าสมัยนั้นก็คงจะเป็นพระเจ้าแผ่นดินเมืองน้องบัวลําพูของเราอย่างนี้แหละอจากนั้นก็ นายพลานก็ไปเที่ยวป่าไปล่าสัตว์พวกเก่งพวกว่าพวกกระจงพวกตะ ก, กวดหมูปลาพอได้มาแล้วก็เอาเนื้อสำเระมาเนื้ออย่างเนื้อแห้งมาถวายพระราชาพระราชาก็เด้เสวยเนื้อสัตว์เป็นประจำจากพลานวันหนึ่งในพระเจ้าแผ่นดินก็ถามเออพลานเธอไปป่าเนี่ยเห็นอะไรบ้างไว้มีความสุขอย่างไรพลานมัน เขาก็บอกว่าโอ้ว่าจะได้สัตว์ล่าเนื้อหายิงสัตว์มาได้เนี่ยไงสมัยนั้นเครื่องไม้เครื่องมือมันก็ไม่ใช่มีปืนผาหน้าไม้อย่างทุกวันนี่มีแต่พวกธนูพวกหน้าไม้น้ํายาพิษเพื่อยิงสัตว์ให้สัตว์ล้มตายนเหงือนันนะแตอมันไม่ใช่ของได้ง่ายๆโอ้ยข้าพระองค์เข้าไปในป่าก็มีแต่ทุกข์กับยากแล้วไปเจ้าข่าพระเจ้าไปเองคว่าทุกข์กับยากไม่เคยได้ยินเหมางนกั น, นแต่เกิดมาไม่เคยได้ยิน มีแต่ความสุขสนุกสบายเพิดเพลินเฮฮา อ, อความทุกข์กับยากไม่เคยได้ยินเอ๊ะมันเป็นยังไงผ่านทุกข์กับยากโอ้ยพูดยากพระเจ้าขา่างั้นถ้าว่าไปเจอเองจะรู้ได้เออทางงั้นอ่ะเราจะไปไปสะพานไหมถ้าจะเดินทางไปแล้วก็บอกเราด้วยนะไ อ, อพยาชาบอกผ่านก็ผ่านแล้วให้เราเตรียมอะไรล่ะอ่าผ่านก็บอกว่าให้เตรียมธนูแล้วก็ลูกธนูแล้วก็กระเป๋าหนัง ใส่สิ่งของเข้าไปเสื้อผ้าหุนที่จะใช้ถ้ามีอะไรกับเพสัตวที่พระ อ, องค์เสวยประจําหรือสิ่งไหนที่ต้องการก็ใส่กับเป้บนหลังเข้าไปแล้วก็รองเท้าที่ขาดมาได้ก็คือรองเท้าอย่างดีหน่อยจากนั้นก็หมวกเครื่องกันหนาวลักษณะอย่างนั้นอ่ะพลาชาก็เตรียมพร้อมเหมือนกันนะพอเสร็จแล้วพลานก็เชิญพระราชาได้เวลาแล้วก็ผม เข้าป่าเดินเที่ยวป่าล่าสัตว์พระราชาก็เดินตามไปตามพลานพอไปวันแรกเลยพลานก็พาเข้าป่าเลยพอเข้าป่าพระราชาไม่เคยเข้าป่าเลยอยู่แต่อยู่ในเมืองแต่นี่มุอป่าพงป่าน้ําไปเรื่อยเลยมีเกลือเขาเถาวันมันเกาะแข่งกอะขามีทั้งน้ํามีทั้งอะไรเอพระราชาโอ้อันนี้คืออะไรพลานอันนี้ พระพานก่ยบอกอันนี้ยากไปเจ้าพามันมุดไปนะมันยากพอมุดไปแล้วก็หนามเกาะเบบังเออแล้วก็เอถอาขอเท้าวันเกาะขาบ้างแล้วก็เกาะทธนูบัางกว่าจะดึงไปแต่ละอย่างนะโอ้ท่านไม่เคยเข้าป่าดงพงไพเลยแต่พระเนเขาไปได้เร็วเขาก็ต้องคอยท่านคอยดูแลท่านอันนี้พระราชาโอ้อันนี้อะไรพาเนี่ยอันนี้คือยากไปเจ้าพา แล้วทุกข์หรือโอยทุกกว่านี้เอนกันโอ้ตายแต่ขนาดยากนี่ก็พอแรงนะจะทุกมันจะขนาดไหนพระราชาเนี่ยคิดในใจเพราะฉะนั้นพระราชาก็เดินไปเดินไปเข้าไปอยู่ในกลางตรงที่นี่มันมีขนํามันมีขนําไร่ของเขาเขาไปปลูกไร่เขาโพดไร่มันอยู่ในกลางป่าอสองผัวเมียของเขาแต่แต่เมียของเขาหรือปัญญาของเขาเนี่ยมีท้องโยแล้วเหมนกันแต่ไม่รู้จะคลอดเมื่อไหร่ ตอนนี้นายพรานโ อ, เ, อเราขอพักอยู่ด้วยได้ไหมสุเจ้าจะมีที่พักโอ้ยก็ ม, มีมีแต่ห้องเดียวตัวนี้แหละเขาวางงันก็มีเสียงออกมาหน่อยนึงเออถ้าอย่างงั้นอันนี้คือพระราชานะเราขอพักข้างในได้ไหมเขาโอ้ยินดีเนี่ยเขาก็เลยจัดห้องให้พระราชากับพลานเขาไปพักข้างในห้องพอดึกเข้ามาพอตีหนึ่งตีสอง่นเนีพันธยาของเขา ปวดท้องเทเน่จะคลอดลูกเทเน่เออเทีนี้จะให้เขาคลอดข้างนอกขเขไปไหมันอยู่ในเฉลียงเล็กๆเขาก็เลยโอ้ยขอให้อยู่ออกออกมาข้างนอกโดยเทินพกผมพัญญาของผมจะคลอดลูกงงเหมือนนแต่พระราชาก็ต้องให้เขาคลอดเพวกให้เขาเข้าไปในห้องเขาก็ปิดมิดชิดจากนั้นพระราชากับพานออกมานาะนั่งอยู่ข้างนอกเนยฝนก็ตกคื น, นเอาเงินแต่ฝนตกตกตกๆก ไอ้และข่อยบังแรงบังค่อยบังแรงบั ง, บ ง, ร ง, บงพระราชาโอ้โหทั้งหนาวก็อนหนาวกัน้นเด้อไอท่นี้ถามในพาโอโ้อันนี้คืออะไรพานอันนี้แหละคือทุกเงนินโอ้โหตายถ้าเกินกว่านี้ข้าต้องตายแน่เลยข้าวันพุ่งนี้พาพ า, พาข้าขับเถะนะแต่ข้าไปดูปต่ออีกไม่ได้หรอกขนาดนี้เลยรู้ละทุกข์กับยากนั่นคืออะไรที่พานบอกนะั่นโอ้ไม่ไหวไม่ไหวข้าจะต้องกลับเมืองล้วนะอ่าพระละ ผ่านก็บอกครับได้ครับเดี๋ยววันภูนี้จะพากลับจากนั้นพระราชาก็นอนพิงฝาบ้านเขากัน่ะพอพิงพิงไปพอเคิมเคิมไปมันจนสว่างมันเหนื่อยเน่ยเดินทางเหนื่อยพอลังพอเคิมเคิมไปพอหลับหลั บ, ลบนิยมมาทูดเขาลงมาทีนี่เขาถือมีลูกน้องคนนึงกับถือแฟม้มเน็บเน็บลักแร้มาเขามาถึงปุ๊บมาเขาก็เปิดแฟ้มออกมาแล้วเขาก็ถามเด็ก เด็กที่เกิดใหม่เนี่ยเป็นเด็กผู้ชายเขาเกิดในห้องเออแต่ฟอดพระราชาในฝันว่ากันแต่ฝันมันชัดเจนได้เกินมาเห็นฟัดเห็นชัดเจน ย, ยมบรรทูดเขาถามว่าไอ้โนเธอแก่ใหญ่เมื่อเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาเธอจะทําอะไรเธอจะเป็นราชามหาราชาไหมไม่ ain, ครับมันเขาก็จบจบจบจ ด, จ ด, จด เธอจะเป็นพ่อค้าพ่อขายทำมาหาเลี้ยงชีพทำมาขาขายกินใช่ไหมไม่ครับเอาก็จดจดจดจดเธอจะเป็นชาวไร่ชาวนาใช่ไหมครับไอ้นั้นก็เราว่าครับเด็กเด็กคนนั้นเพิ่งเกิดใหม่เนีเออเขาก็จดจดลงใสกระดาษอามันจะเป็นชาวนาว่าไอ้นี่แค่พ่อเขาเลยกลับไปกับลูกน้องเขาพระราชาก็ได้ตื่นขึ้นมาเอ เมื่อกี้เนี่ยถ้าจะวาฝันกน็ชัดเจนเหลือเกินถ้าไม่ว่าเออเหมือนเขาฝันแต่ว่ามันชัดเจนเหลือเกินเอ๊เด็กคนนี้มันมันทําไมมันมันเป็นอย่างนี้นยมมาทูดแล้วแบบกล่ําของเขามาบอกกล่าวอย่างนี้เอาเถอะพอสว่างขึ้นมาก็เลยพูดกับนายพานเอ้พรานเราอยากจะได้เด็กคนนี้ไปวะไปเลี้ยงไว้วะคือนายพรานพระเจ้าเป็นดินบอกว่าเราจะทดลองหน่อยสิว่า ที่มันพูดฝันฝันันไปในมัดจริงหรือเปล่าเขาก็เลยข อ, อเออนี่พระราชานะเราขอลูกไปเลี้ยงโอ้ยขอโดยเทินให้ไปเดี๋ยวนี้ไม่ได้กลัวเด็กเพิ่งเกิดใหม่ไม่รู้จะอยู่ยังไงจะเดินทางไปถึงบ้านถึงเมืองหรือเปล่ากลัวจะตายก่อนนะอั่นนะขอไว้ก่อนชั้นสองสามปียังค่อยมารับก็ได้เดี๋ยวพวกเราจะเลี้ยงให้พระ อ, องค์เองนะต่อไปนั้นค่อยเอาไป พะรดชาเออเอเ้าตกลงไปจากนั้นก็กลับเมืองในวันนั้นเลยกลับถึงเบียงหวังก็ยังคิดพอถึงเบียงหวังก็ยังคิดถึงคำฝันตัวเองอยู่เอเด็กอันนั้นมันจะใหญ่ขนาดไหนล่ะนะพอได้สามปีใช่ไเอเด็กสามปีมันก็คงจะย า, ยาเออนมหรือมัง่งไปพานไปรับมาก็เลยให้พวกทหารเอ่อํมมาดไปรับไปขอกระลูกเขาก็ให้ หลงวันพ่อแม่ของเขาด้วยแล้วก็พร้อมที่จะไปเยี่ยมเยียนได้ทุกโอกาส อ, อันนี้ขอขอรับไปเลี้ยงเป็นลูกบุญธรรมของพระเจ้าแผ่นดินแต่เน้นก็ผ่านเข้ามาพอมาแล้วก็พระเจ้าเปน็นดินก็ซุบเลี้ยงอย่างดีให้การศึกษาอย่างดีข่าวหัขาด ต, ตกพอกไม่มีเลี้ยงดีทั้งหมดธรรมวิชาอาชีพคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์วิธีการทํามาค้าขา ย, ขายสอนให้หมด วิธีการลบการพุ่งก็สอนให้เข้าโรงเรียนหมดเทนี้ก็พอเป็นหนุ่มขึ้นมาเป็นใหญ่ขึ้นมาเทานี้จบการศึกษาแล้วหลาเออหนูหนม เ, เป็นไปธมาค้าขายนะ เ, เธอก็รู้วิชาการทํามาค้าขายดีแล้วเนี่ยขายยังไงกําไรยังไงขาดทุนยังไงก็รู้รู้หมดแล้วเนี่ยครับ เอาอันดับแรกให้ไปขายช้างนะคือพ่อเลยให้เป็นพระเจ้าแผ่นดินให้เป็นเอาช้างไปขายเอานําช้างไปขายในหัวเมืองต่างๆนนอย่างนั้นนะเวลาประชาร์ก็ให้เอาไม่ใช่เอาวัวควายก่อนนะเอาวัวควายไปขายก่อนนะอย่างตะมวยก่อนนะมันได้ห้อยนะไปขายควายอายุธยาอย่างนั้นนะขายควายไทยอย่างนั้นนะส่งไปตีข้ามดงพระยายเย็นลงไปขาย ควายอายุทยานทีนี้นก็ซื้อควายมาหลายร้อยตัวก็มีบริวารคุมคุมฝูงควายไปเพื่อจะไปขายพอไปถึงดงพญาเย็นลักษณะอย่างนั้นน่ะควายมันแตกฝูงทีนี่เออมันถูกกินเสือเนี่ยแต่ไปคนลาทิตย์ละทางเออผลที่โชยก็เลยไม่รู้จะหาวัวหาควายเด็ดเนี่ยมันแตกหนีหมดกลับขึ้นมาบ้านอู้ยควายแตกฝูงพระเจ้าพ่อเหมน ไม่รู้จะทํายังไงผมควบคุมไม่อยู่คนก็ตามหาก็มันแตกไปคนละทิศทางนะเ อ, อีจากนั้นกพ็พระเจ้าเป็นดินเออเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวคราวหน้านี้เอาเอาให้ขายช้างบัดเนี่เนี่ยแต่เนี้ขายช้างเนี่ยต้องขี่คอทุกตัวใช่ไหมล่ะเ อ, อไปขายหัวเมืองต่างๆสมัยนั้นช้างกับม้าเนี่ยเป็นสินค้าของพระราชาเนี่ยแต่นี้พระราชาเอาซื้อช้างมาเอาไปขาย จากนั้นก็ออกขึ้นขี่ช้างนี่ยก็นำไปขายพอไปถึงกลางตรงทีนี่ช้างแตกฝูงเทนโอ้โหมันยิ่งกว่าบัวกอกไฟอีกไปคนละทิศละทางอีกนะพวกค ว, วานช้างทั้งหลายตกกระเด็นกระรอน อ, อกคอจากคอช้างช้างแตกเข้าตรงหายหมดเลยทีนี้ยังเหลือช้างไม่กี่ตัวกลับมาหาพ่ออีกโอ้ผมออกช้างไปขายช้างแตกฝูงอีกครับพอ่อ ไม่รู้จะทำยังไงพอมันคงจะผมลิขิตกลมลิขิตขาวนั้นอนะ่ะมันคงจะใช่ละก็เลยประกาศเลยอ้าวใครเห็นท้องนาที่ไหนวะที่ว่าปักดำไปแล้วมันไม่ดีมันไม่ได้ผลนะบอกมาแต่สมัยก่อนโบราณโบราณเขากคงไม่มีปุ๋ยใช่ไมละ่ะเขากคงจะส่งไปนู่นนะ่ะ ทุ่งกุลาร้องให้ว่า ง, งั้นเถอะเออไปออไปทํานาทุงอยู่ทุ่งกุลาร้องให้นวนะเอออันนี้ก็ไปเพราะไม่มีปุ๋ยอไม่เหมือนสมัยทุกวันเนี่ยเอ่ออันหนุ่มนี่ก็ไปไปก็ไปทําไร่ทํามาโอ้โหพอทําขึ้นไปเท่านั้นะข้าวนี่โหสวยงามเออถูกต้องตามระดูการเออแปว่า ไม่มีอะไรขาดตัวปกพ้องเลยในการทํานาของไ อ, ไอ้หนุ่มคนนี้เหมือนกันเนอพระราชาก็เลยโอ้อันนี้น่ยเออยมมาโทษด้พรมลิธิตให้เขาเกิดมาเป็นชาวนาเพราะฉอนั้นเออเราจะไปฝืนเขาเอาปอยจากนั้นเขาก็เลยให้ไอ้หนุ่มคนนั้นเป็นชาวนาทําทไร่ทํานาตลอดไปเลี้ยงเวียงเลี้ยงวงังเลี้ยง ที่น้องประชาชนเป็นหัวหน้าใหญ่การเกษตรเนี่ยแหละถ้าจะพิจารณาดูในหลักของพระพุทธศาสนาแล้วอันนี้คือกรรมคือการกระทำมันฝืนกันไม่ได้คือบางคนได้ลูกมาเนะี่ยเลี้ยงได้ตั้งแต่ร่างร่างกายของเขาแต่จิตใจของเขาเลี้ยงไม่ได้เพราะเหตุไรเพราะกรรมเขาลิอกิดมาอย่างนั้นเนีบางครัง้งบางคราวก็ต้องต้องให้ไปตามที่เขาคิด ตาที่เขาถนัด เ, เราจะไปฝืนเขามากคงไม่ได้แต่บางครั้งก็ต้องฝืนบ้างนะครับางทีก็โดยมากมันชอบไปทางต่ําจิตใจของคนชอบไหลไปทางต่ําลูกของเราก็เหมือนกันชอบไหลไปทางต่ําแต่เราก็ต้องฝืนแต่มื่ฝืนไปแล้วเนี่ยมันฝืนไม่ขึ้นเนี่ยเราก็ต้องปล่อยตามกรรมกรรมคือการกระทําเขาสร้างกรรมมาอย่างนั้น เ, เราก็ต้องปล่อยให้เขาตาม ตามที่เขาถนัดตามที่เขาต้องการเนี่ยเราเป็นแต่เพียงเป็นผีเลี้ยงดูดูช่วยช่วยดูเขาเท่านั้นะนี่แหละเราเลี้ยงร่างกายของเขาเราเลี้ยงได้เลี้ยงรูปแต่จิตใจของเขานั้นเราเลี้ยงไม่ได้เป็นบาปเป็นกรรมในการกระทำของเขามาในอดีตเพราะนั้นหลักของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านให้ความสำคัญเรื่องของใจมากที่สุด เนี่ยมโนปุพังคมาธรมามโนเศรษฐามโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วรวยใจในเพื่อพวกเราท่าน ท, ทั้งหลายทํากลัมสิ่งไหนไว้กรัมดีก็ตามกลัมชั่วก็ตามใจนั่นแหละจะเป็นผู้ได้รับอย่างพวกเราท่านทั้งหลายมาสร้างบุญมาสร้างกุศลในการบําเพ็ญพระราชทานเพลิงศพขององค์หลวงตาอย่างเนี้ยเออเรามาทําบุญมากน้อยมาไหว้พระอ่า รับศีลสมาทานศีลฟังพระธรรมเทศนาหรือบำเพ็ญทำบุญทำทานช่วยงานอง์หลวงตาลล้วนแล้วจะเป็นการสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจของเราทั้งนะั้นถึงเราจะทำดีขนาดไหนก็เถอะนะส่วนร่างกายอีกสักวันหนึ่งเราจะต้องทิ้งทิ้งทั้งหมด เ, ออเราจะเอาไปด้วยไม่ได้ถึงจะทำดีทำ ไม่ดีขนาดไหนร่างกายจะต้องทิ้งอย่างองคหลวงตาเนี่ยท่านทําคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติขนาดไหนแต่อีกสักวันหนึ่งท่านก็ต้องทิ้งร่างกายของท่านแต่ใจของท่านนั้นจิตใจที่บริสุทธิ์ปุดพ้นท่านบอกว่าเราจะไม่มาเหยียบแผ่นดินอีกแล้วชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราแล้วอันนี้คือใจของท่านแต่ส่วนร่างกายเหมือนกับพวกเราท่านทั้งหลายจะต้องแตกจะต้องสลายในที่สุดจะต้องถูกเผาไฟในที่สุดแต่พระอรหันต์อย่างองตาเนี่ย ถึงท่านจะแตกตายสลายลงสู่ทินน้ําลมไปอัฐิธาตุของท่านก็จะกลายเป็นพระธาตุอย่างวันนี้ก็เห็นเกศาของท่านได้เห็นกับตาหลวงพ่อเอง เ, อเกสาหลวงตาเนี่ยกลายเป็นพระธาตุให้เห็นได้แล้วและอีกหลายหลายคนที่ได้รับไปก็ได้กลายเป็นพระธาตุนี่แหละอันนี้ก็คือถ้าจะว่าไปก็คือท่านเป็นผู้บริสุทธิ์หลุดพ้นจากอาสวะกิเลส ส่วนที่เกี่ยวข้องของท่านกับผิดแปลกแตกต่างกว่ามนุษย์ทางหลายเพราะใจของท่านเป็นผู้บริสุทธิ์หลุดพ้นใจของท่านเป็นพระอรหรันทร่างกายของท่านก็เป็นพระอรหันต์ไปด้วยอย่างพวกเราท่านทางหลายก็เป็นลูกศิษย์ลูกหาถ้าว่าเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเราก็เป็นเป็นผู้เดินตามหลังพระอรหันต์แต่ถ้าเราทำกรรมชั่วสิ่งที่มันไม่ดีแล้วแปลว่าเดินแบวกแนวหันหลังให้พระอรหันต์ เพราะนั้นพวกเราจะเป็นประเภทไหนเราจะเดินตามหลังพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือเราจะเดินแหวกแนวขอให้พวกเราท่านทั้งหลายดูตนเองที่นี่เพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านที่ได้ฟังธรรมเทศนาได้ฟังสัมโมทิยกถาของหลวงพ่อในวันนี้หลวงพ่อให้แนวความคิดหลวงตาท่านสอนพวกเราอย่างไรเป็นพระท่านสอนยังไงถึงจะโง่ฉลาดยังไงก็ให้ฉลาด อยูในหลักพระธรรมวิ น, นัยถึงจะโง่อย่างไงก็ให้ให้อยู่ในหลักพระธรรมวิ น, นัย เ, เป็นคารวาสก็ให้อยู่ในกรอบของศีลธรรมอย่าออกนอกลูก่นอกทางศีลธรรมถามว่าพวกเราออกนอกลูก่นอกธรรมแล้วนอกทางแล้ ว, ลวพวกเราจะหาความสงบพรมเย็นเป็นจุกไม่ได้ลุงตาท่านสอนยังไงการเสียสละเรื่องทานยกตัวอย่างเป็นลุงตาเป็นตัวอย่างเรื่องศีลลุงตาก็เคร่งครัด เ, เป็นผู้มีกฎมีระเบียบในพระองค์ในองค์ท่าน เรื่องสมาธิหลวงตาท่านสอนยังไงวิธีกำหนดภาวนาให้มีสติสัมปชัญญะในการดูแลในใจของท่านจากนั้นให้พิจารณายังไงเดินวิปัสสนาท่านเดินยังไงให้พิจารณาร่างกายให้ยึดร่างกายร่างกายในใจเป็นหินรับปัญญาหลวงตาท่านก็สอนอย่างนั้นจากนั้นก็ท่านทามเมื่อพวกเราปฏิบัติตามแนวแถวขององค์หลวงตาแล้วมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุข ไปอยู่นักสถานที่ใดก็สบาย อ, อกสบายใจกล่าวได้เลยว่าถ้าเราปฏิบัติตามศีลตามธรรมแล้วไปอยู่นักสถานที่ใดมีแต่สุขหนอสุขหนอมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองทางด้านจิตใจเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราคณะสัตยาญาติโยมทุกหมูเ่เหล่าให้ทําแต่กรรมดีกรรมชั่วอย่าทำอย่างที่คําธรรมสอนของพระพุทธเจ้าวักอัคตังตุกตังเสยโยปัชฌาตปฏิทุกตังกรรมชั่วอย่าทำเสเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วนั้น ย่อมให้ผลเป็นทุกเมื่อภายหลังให้พวกเราทำแต่กรรมดีถ้ากรรมดีแล้วพวกเราจะมีแต่ความสุขความเจริญการกล่าวส ม, มุดธนิยากถาวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาขอยุดติไว้เพียงเท่านี้